ต่อไปนี้ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะทั้งความสงบกันต่อไปในเบื้องต้นนี้นตมาจะเป็นผู้นำทุกๆคนให้ว่าตามข้าพระเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรม คุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาโดนบันดาลให้ใจของข้าเพาเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆ พุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดะมาดขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุโทโธในใจนึกพุโทโธไว้ที่ใจ กำหนดใจของเราวัตถิใจการทำสมาธิต้องการความเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งเป็นต้นเหตุของการที่ให้เกิดพลังจิตพลังจิตนั่นก็คือกระแสธรรมทำอย่างไรพลังจิตของเราจะเกิดขึ้นได้ การทําจิตให้เป็นหนึ่งคือการที่จะทําจิตนี้ให้เกิดพลังจิตพลังจิตนี้ที่จะเป็นกําลังที่จะทําวิปัสสนาต่อไปในการข้างหน้าแต่การที่จะเป็นหนึ่งได้นั้นต้องอาศัยคำบริกรรมคำบริกรรมนั้นอย่างที่เราบริกรรมว่าพุทโธพุทโธ เป็นคาบริกรรมผู้ที่นึกพุโทโธได้แล้วถือว่าจิตนั้นเริ่มที่จะเข้าไปหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งได้แล้วพุโทโธก็ไม่ต้องนึกเมื่อเราไม่นึกพุโทโธแต่ว่าจิตของเราเป็นหนึ่งได้ก็ถือว่าจิตได้เลื่อนไปอีกขั้นหนึ่งการที่เรากระทาสมาธินั้น เราจะต้องรู้ว่าเมื่อเวลาทำจิตของเราได้ผลอย่างไรเราจะต้องทำอย่างนั้นไปเสมอๆ เ, เพราะว่าต่างคนก็ต่างมีนิสัยวาณาบารมีต่างกันเมื่อใครจะกาหนดจิตอย่างไรที่เป็นผลประโยชน์แก่ตนนั้นเราก็จะต้องกาหนดจิตอย่างนั้น และเมื่อกำหนดจิตอย่างนั้นอยู่ตลอดไปความชำนาญเกิดขึ้นความชำนาญ น, นั้นในภาษาบาลีท่านกล่าวาว่าวสีวสีแปล ว, ว่าความชำนาญความชำนาญ น, นี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบำเพ็ญจิตเหมือนกันกับผู้ที่เขียนหนังสือเกิดความชำนาญ เขาย่อมจะต้องเขียนได้อย่างสบายแม้จะหลับตาเขียนก็ได้เพราะความชำนาญและเขาก็ได้ประโยชน์จากการเขียนนั่นอย่างรวดเร็วผู้ที่บำเพ็ญจิตก็เช่นเดียวกันต้องสแสวงหาความชำนาญให้เกิดขึ้นหรือเรียกว่าสแสวงหาวสี การที่เราตั้งจิตนั้นเมื่อเราตั้งได้อย่างนี้เราทำอย่างนี้ก็เป็นอันว่าถูกต้องเพราะความถูกนั้นอยู่ที่จิตเราตั้งได้เมื่อจิตตั้งได้ความตั้งของจิตนั้นถือว่าสติสตินั้นเป็นสิ่งที่ทุกๆคนจะต้องมี ถ้าสตินั้นขาดเมื่อไรการตั้งก็ตั้งไม่อยู่เหมือน ก, นกันกับสิ่งที่เราจะตั้งขึ้นมาเป็นเสาหรือจะตั้งขึ้นมาเป็นสิ่งของเป็นโต๊ะเป็นเตียงถ้าหากว่าขามันหักหรือว่าขาไม่ดีเตียงก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องล้มกันลงไปขาของเตียงก็ดี ขาของเก้าอี้หรือเสาก็ดีล้วนแล้วแต่เราสมมติกันขึ้นแต่ถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบก็เปรียบได้ด้วยสติสตินั่นคือความระลึกหรือเรียกว่าความตั้งอยู่ความไม่ว่กแวกจิตมันว่าแวกไปไม่ได้ในเมื่อมีสติแต่พอขาดสติมันก็วอกแวกออกไป อย่างนี้เป็นลักษณะธรรมดา <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนี้การที่เราจะทำสิ่งที่เรียกว่าสมาธิให้เข้มแข็งหรือเป็นกำลังต่อไปนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเสริมคือเสริมสตินี้ให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปวิธีการที่จะเสริมสติ พระพุทธเจ้าแนะนําไว้สี่ประการคือสติปัฏฐานสี่มีกายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นต้นกายานุปัสนาสติปัฏฐานหนึ่งเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานสองจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานสามธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานสี่ สี่ประการนี้เป็นหลักหรือเรียกว่าเป็นหน่วยของการส่งเสริมสติของเหานี้ให้มั่นคงในจํานวนสติปัฏฐานสี่นั้นพระพุทธเจ้ายกกายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งก็คือกายยิ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันทุกวัน และเป็นสิ่งที่เราได้สัมผัสอยู่ทุกวันทุกวันเราจึงรู้และเข้าใจง่ายในการที่จะนําเอากายนี้มาเป็นการส่งเสริมหรือเรียกว่าเสริมสติของเราให้แก่กล้ายิ่งขึ้นวิธีการที่ท่านให้เอากายนี้เป็นการเสริมสตินั่นท่านทําอย่างไร ในบบลีท่านแสดงไว้ว่าให้เราพากันมีสติมองดูกายในอดีตอนาคตและปัจจุบันกายในอดีตเป็นอย่างไรกายในอนาคตเป็นอย่างไรกายในปัจจุบันเป็นอย่างไรเรากำหนดจิตไว้ที่นั่นจะเป็นระยะหนึ่งหรือว่านานหรือว่าไม่นานก็สุดแล้วแต่แต่ถ้าหากว่าเรากำหนดลงไปได้ จะเป็นการเสริมสติขึ้นมาทันทีในกายนี้ถ้าหากว่าเป็นกายในอดีตท่นานจให้พิจารณาถึงว่าเมื่อเราห้าสิบสี่สิบสามสิบยี่สิบสิบปีเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนี่เรียกว่าเราดูกายของเราตั้งแต่นี้ไปจนกระทั่งถึงเด็กมันเป็นยังไงรูปลักษณะและต่อไปก็ อนาคตาคือกายในอนาคตเอที่ต้องพิจารณาดูว่าจากห้าสิบแล้วเป็นหกสิบจากหกสิบเป็นเจ็ดสิบจากเจ็ดสิบเป็นแปดสิบจนกระทั่งถึงตายลักษณะของการมีกายในอนาคตนั่นคือความแก่และความตายลักษณะเป็นอย่างไรนี่เป็นกายในอนาคต ในการที่จะพิจารณาให้เห็นเป็นการส่งเสริมสติและปัจจุจจบันนัันพระพุทธเจ้าแนะนำว่ากายในปัจจุบันนั้นอยังโขเมกาโยกายของเรานี่แหลอุดทางตาทตะลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสามาทกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป แด้จากปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบโครณาณปการัจจ์อสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอธิมิมาสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้เกษาโลมานขาทันตาตาโจเนี่ยก็ผมขนเล็ะฟันหนังในร่างกายอันนี้หนังนั้นเป็นอย่างไรเนื้อนั้นเป็นอย่างไรกระดูกนั้นเป็นอย่างไรจนกระทั่ง ท่านได้แสดงว่าอันเยนะชังคติกังกระดูกแข่งจะกระเด็นไปทางอื่นอันเยนะพาหัตถิกังกระดูกแขนจะกระเด็นไปทางอื่นเป็นต้นคือท่านให้แยกแย ก, แยกออกไป ว, ว่าอันนี้คือโครงกระดูก อ, อันนี้คือแขนกระดูกแขนอันนี้คือลำไส้อันนี้คือหัวใจอันนี้คือน้ำเลือดอันนี้คือน้ำเหลือง อันนี้คื อ, อ, อร่างกายส่วนต่างๆจะเป็นกระดูกเท้ากระดูกแขนกระดูกมือก็ว่าไปอันนี้เรียกว่าปัจจุปนังวากายในปัจจุบันการพิจารณาอย่างนี้ถือว่าได้ดำเนินจิตเข้าสู่มหาสติปัฏฐานสติแปลว่าสติฐานะแปลว่าความมั่นคงจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน ทนี้ท่านก็ใส่ข้างหน้าไว้ว่าเป็นมหาแปลว่าใหญ่จึงเรียวกว่ามหาสติปฐานคือเป็นฐานที่ตั้งแห่งสติใหญ่ก็ถือว่าความใหญ่ความยิ่งก็ถือว่าเป็นความสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการที่จะเสริมสติในเมื่อจิตนี้มันเข้าไปสู่ะวังหรือจิตนี้มันเข้าไปสู่ความสงบ เราก็นำจิตอันนี้เข้ามาดูร่างกายจะเป็นร่างกายในอดีตหรือจะเป็นร่างกายในอนาคตหรือจะเป็นร่างกายในปัจจุบันนั้นก็สุดแล้วแต่ว่าเราจะกำหนดลงไปตรงไหนเมื่อกำหนดลงไปแล้วไม่ใช่ว่าจะให้กำหนดอยู่แต่ตรงนั้นอย่างเดียวเราเมื่อกำหนดพิจารณาไปเห็นตามสมควรแล้ว เราก็ย้อนจิตกลับคืนมาที่ตั้งคืนมาที่ตั้งของจิตเหมือน ก, นกันกับคนที่เขานั่งอยู่เมื่อเวลาที่นั่งอยู่นั้นต้องการอยากจะมองดูสิ่งใดนั่งอยู่ในศาลานี้ต้องการมองดูสิ่งใดก็มองไปเห็นหน้าต่างเห็นประตูแต่ว่าเรานั่งอยู่ในที่นี้ เมื่อเห็นได้เนี่เราก็หลับตาเราไม่ต้องการที่จะมองให้เห็นอีกเราก็เอาจิตนี่มานั่งอยู่ที่เรานั่งเหมือนกับเรามองดูกายในอดีตอนาคตปัจจุบันนั้นเมื่อเรามองไปในที่สุดเราก็ย่อกลับคืนมาหาจิตคือมาตั้งอยู่ที่จิตในขณะที่เราพิจารณาร่างกายอันนั้น เรามองไปเห็นมันจะชัดเจนขึ้นตามลำดับถ้าหากว่าความชัดเจนที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นโดยที่สันทิติโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองเคยเห็นเองที่ว่าเมื่อเรามองลงไปแล้วความชัดเจนนี่มันจะชัดเจนเพิ่มขึ้นถ้าความชัดเจนเพิ่มขึ้นนั้นแสดงว่าจิตนี้เกิดความผ่องใส หรือว่าจิตนี้มีความก้าวหน้าขึ้นตามลาดับแล้วก็จิตนี้มีสติอันเข้มแข็งขึ้นตามลาดับเพราะว่าความสว่างหรือความเห็นแจ้งลงไปในร่างกายอันนี้นั้นมันจะไม่ชัดเจนเริ่มต้นด้วยความไม่ชัดเจนจนกระทั่งไปหาความชัดเจนไปถึงความชัดเจน ก็จนไปถึงความแจ้งสว่างจากความแจ้งสว่างก็เรียกว่าถึงความลึกซึ้งอันนี้ก็เป็นไปกับด้วยอํานาจหรือเรียกว่าพลังของจิตอํานาจและพลังของจิตนั้นย่อมที่จะแสดงให้เห็นถึงกิริยาเพราะว่าอํานาจจะมีแค่ไหนนั้นก็สุดแต่ ฐานที่ตั้งอเรียกว่าสติปัฏฐานอยู่แหละเมื่อสติปัฏฐานนี่มันเป็นของธรรมดาเราก็ไม่ใส่มหาลงไปเราใส่แต่ว่าสติปัฏฐานอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าเกิดความยิ่งใหญ่ขึ้นมาทีนี้จึงจะเรียกว่าเป็นมหาเรียกว่ามหาสติปัฏฐานก็คือเกิดความแจ่มแจ้ง เกิดความชัดแจ้งความชัดแจ้งอันนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งเดาหรือไม่ใช่เป็นสิ่งคิดคือคิดขึ้นมาก็ไม่ไม่สวา่างหรือถ้าเดาไปมันก็ไม่สวา่างแต่ว่ามันจะต้องเกิดความจริงขึ้นอันนี้เป็นเครื่องทดสอบว่าจิตของเรานั้นมีความเจริญก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้วถ้าเราไม่ทดสอบเราก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่าจิตของเรานี่เมื่อไหร่เรามาทำก็ทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละเมื่อไหร่มาทำก็ทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกต้องมันจาเป็นที่จะต้องทดสอบการทดสอบก็คือการพิจารณาตามความเป็นจริงว่าเราได้เห็นจริงชักลงไปหรือไม่เมื่อเราหลับตาพิจารณาลงไปแล้วเนี่ยเราเห็น แอจริงชัดแค่ไหนความชัดเจนหรือว่าอความสาว่างหรือว่าความซึ่งมันจะถึงแค่ไหนนั้นตัวของตนก็รู้ได้เพราะฉะนั้นความก้าวหน้าของจิตหรือเรียกว่าการพัฒนาจิตนั้นจึงอยู่ที่ตัวของเรารู้ตัวของเราเองเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นก็จะเกิดความ จเจริญพาวิโตจเจริญให้มากพารีกะโตจะทำให้มากอภินยายะก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพทายะก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิบาันนยะก็จะเป็นไปเพื่อความดับสนิทหรือเรียวกว่าเป็นไปเพื่อพระนิพพานอย่างนี้เป็นต้นเพราะเหตุที่ว่าหนทางที่จะดำเนินเข้าสู่ อริยสัจธรรมนี่เป็นสิ่งที่มีความจริงที่ไม่มีความจริงที่ไหนจะจริงเท่าฉะนั้นจึงเรียกว่าอาริยสัตสีอริยสัตสีนั้นคืออะไรอริยสัตสีก็คือทุกสมุทยัยนิโรธมรรคทุกนั้นได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายสมุทัยนั้น ได้แก่ euh, ตัณหาทั้งสามนิโรดนั่นได้แก่การดับตัณหามรรคนั่นได้แก่หนทางที่จะดับตัณหาทุกนั่นคือ euh, ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ <arcade> เรียกว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายนั่น ใครเป็นผู้เกิดมาแล้วใครเป็นผู้ตายเราก็ไม่ต้องเถียงร่างกายนี้เป็นผู้ที่เกิดมาร่างกายนี้เป็นผู้แก่ร่างกายนี้เป็นผู้ตายเพราะฉะนั้นตัวทุกข์ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็คือร่างกายอันนี้จึงไปกรองกับที่พระพุทธเจ้าแนะนําให้พิจารณาถึงสติปัฏฐาน จึงเรียกว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์เมื่อร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์แล้วในอริยสัจท่านก็แสดงว่าปริยยันติเมพิคเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกาหนดรู้ท่านไม่ให้ทำอะไรในร่างกายอันนี้ให้ทาความรู้ให้รู้ตามความเป็นจริง คือให้รู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายอันนี้เมื่อพูดกันตามความเป็นจริงแล้วมันก็คือธาตุธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสิ่งใดมันร่างกายของเราที่มันแข็งแข็งอยู่ก็เรียกว่าธาตุดินสิ่งใดที่มันเหลวๆวอยู่ก็เรียกว่าธาตุน้ำสิ่งใดที่พัดไปพัดมาก็เรียกว่าธาตุลมสิ่งใดที่ทำร่างกายให้รุ่มร้อนอบอุ่นก็เรียกว่าธาตุไฟ อันนี้คือการพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วก็ความเป็นจริงก็มันก็จะต้องเกิดมาในเบื้องต้นค้มค่าไปในถ้ำกลางแตกสลายไปในที่สุดนี่ความจริงเรียกว่าทุกข์สัตว์ในทุกข์สัตว์นี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าปริเยยันติเมพิกเทเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกำหนดรู้การกาหนดรู้นั้นจาเป็นต้องศึกษา ถ้าไม่ศึกษาซะก่อนนี่เรากําหนดรู้ไม่ได้อย่างเราจะกําหนดดูตัวหนังสือว่าตัวหนังสือนี้อ่านว่ายังไงจําเป็นต้องศึกษามาตั้งแต่ต้นถ้าไม่ศึกษาแล้วเราเปิดหนังสือออกมาเราก็อ่านไม่ได้ไม่รู้เรื่องถ้าเราไม่ศึกษาแล้วเราจับปากกาออกมาเขียนมันก็เป็นตัวหนังสือไม่ได้แต่ถ้าเราศึกษาแล้วเนี่ เปิดหนังสือออกมาเราก็อ่านดูรู้เรื่องจับปรกกามาถึงก็เขียนได้ตามความมุ่งหมายอันนี้ที่พระพุทธเจ้าแนะว่าปริยยันติเมพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกคนกำหนดรู้นั่นก็ให้กำหนดรู้อย่างนี้เที่กำหนดรู้ทนยังไงถึงจะรู้อย่างนี้ลงไปได้ถึงจะเรียกว่าสัธจธรรมถ้าหากว่าเรากำหนดลงไปนี่ มันยังสวยยังงามอยู่มันไม่ใช่สัจธรรมหรือกำหนดลงไปนเน่ตรงนั้นก็งามตรงนี้ก็สวยแขนก็สวยขาก็สวยคอก็สวยหน้าก็สวยผมก็สวยก็เลยไม่ใช่สัจธรรมอันนั้นเรียกว่าเป็นโลกีหรือเรียกว่าเป็นกิเลสตัณหาแต่ถ้าหากว่าจิตที่มันเป็นสมาธิหรือเป็นสมาธิ ขึ้นมาอย่างจริงจังแล้วอย่างนี้จะไม่เห็นอย่างนั้นจะเห็นตามความเป็นจริงไปเลยเมื่อเห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจนั้นก็ได้แก่นิพิทาคือความเบือ่อหรือเรียกว่าความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายอันนี้ถ้าเกิดขึ้นมาได้เมื่อไรเมื่อ น, นั้นะ่ะ ผู้นั้นก็ถือว่าเดินจิตเข้าสู่อริยสัจจะแล้วจิตนี้เข้าสู่สัจะธรรมแล้วเขราว่าจิตนี้โปรงตกไปแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นตัณหาที่เรียกว่ากิเลสตัณหาสมุทัยพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมุทัยนั้นตาหาตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมุทัยควรละสมุทัยควรละนั้น ถ้าหากว่าเราจะไปตั้งอกตั้งใจละเอาอย่างนี้คิดละเอาอย่างนี้มันละไม่ได้เหมือนกันก็ความหิวอย่างนี้เราจะไปคิดละเอาหรือว่าจะไปทำอย่างอื่นอย่างใดละให้มันหมดความหิวไปย่อมไม่ได้แต่หากว่าความหิวจะหมดไปนั่นก็อาศัยการรับประทานเมื่อรับประทานอาหารก็ไปแล้วความหิวหายไปเองโดยที่เราไม่ต้องไปคิดอยากจะให้มันหาย แต่มันก็หายไปเองเหมือน ก, นกันกับที่มาพิจารณาดูตัวทุกข์ว่าเห็นแล้วว่าอันนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมจะไปหลงลักหลงชังมันทำไมเกิดนี้ปนไปพยายานขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นอันว่าละลงไปในตัวเสร็จคือไม่ต้องไปพูดว่าละสมมติไทยก็เป็นอันว่าถูกขจัดละออกไปได้ เป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับรับประทานอาหารเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมันอิ่มมันก็หายไปเป็นอัตโนมัติก็เมื่อเป็นเช่นนี้ในข้อที่สามพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัวสว่าสจิกาตะบันเตเมพิกเวดูกอนพิสูทั้งหลายนิโรถควรทำให้แจ้งคำว่าทำให้แจ้งนั้น คือหมายความว่ารู้แจ้งและเห็นจริงนี่ร้ยแปลว่าความดับหรือเรียกว่าดับทุกข์ก็เหมือน ก, นกันกับที่ว่าพิจารณาเห็นแล้วว่านี่คือธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมในที่สุดจิตมันก็ละคือดับการดับนั้นไม่ใช่ว่าคิดดับเอาจำเป็นอยู่เองที่จะต้อง ให้เกิดตามความเป็นจริงเพราะว่าความเป็นจริงนั้นย่อมเป็นความเป็นจริงตลอดในข้ อ, อนี้ก็เปรียบเหมือนกันกับเด็กที่เรียนหนังสือเรียนไปเรียนไปมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องตัวกอตัวขอเอาหัวขึ้นเอาหัวลงตัวงอตัวจอก็เอาตีนขึ้นเอาหัวลงมันก็เขียนไปของมันเรื่อยไป เพราะอะไรมันจิงเขียนอย่างนั้นเพราะมันไม่รู้เพราะมันยังไม่ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงแต่มันก็พยายามเขียนเขียนจนงระทั่งถึงปอสี 4, ป่ 5, ปอห้าปอหกมันก็เขียนได้ทีนี้มันก็ไม่เอาหัวลงหัวขึ้นแล้วมันก็เขียนได้ตามความประสงค์ตัวกอเป็นตัวกอตัวขอเป็นตัวขอวข อ, วข อ, อย่างนี้เป็นต้นทำไมมันจิงเขียนได้ก็เพราะมันฝึก มันฝึกจนกระทั่งมันเกิดความชํานาญเกิดความชํานาญแล้วมันก็เกิดสมองที่จะจำเอาไว้ได้ในความชํานาญนั้นทีนี้เมื่อเวลาที่มันอ่านออกลายเขียนได้แล้วมันจะกลับไปเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อีกมันก็กลับไปไม่ได้มันจะต้องอยู่ของมันอย่างนั้นมันจะต้องสว่างของมันอย่างนั้น คือสว่างในใจของมันทั้งกลางวันกลางคืนมันจะใสสว่างของมันอยู่ตลอดไอ้เด็กที่มันเรียนได้ถึงปหกหรือว่ามัธยมแล้วอย่างนี้ทีนี้มันไม่รู้ตัวเองหรอกว่ามันสว่างอยู่ของมันแต่มันก็สว่างถ้ามันไม่สว่างมันก็ลืมหมดแต่เพราะมันสว่างโรออยู่ในใจของมันมันก็เลยไม่ต้องลืมก็เปรียบเหมือนกับว่านิโรธที่จะทําให้แจ้ง ก็เช่นเดียวกันในเมื่อทำให้แจ้งแล้วมันก็ไม่ดับแล้วคือมันไม่กลับไปเป็นคนหลงอีกเหมือนกันกับนักเรียนที่มันอ่านออกเขียนได้แล้วเนี่ยมันก็จะไปกลับไปเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่ได้ถึงจะแกล้งทำแค่ไหนมันก็แกล้งทำแต่นั้นแหละแต่ความจริงมันอ่านออกเขียนได้ไปแล้วแต่มันจะกลับคืนมาเป็นคนโง่อีกไม่ได้ เพราะฉะนั้นในนิโรธที่พระองค์ได้ทรงแสดงว่าสัจจิกาตะบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งก็แจ้งอย่างนี้พอแจ้งแล้วมันไม่มีมืดมันพบแสงสว่างแล้วมันก็ไม่มีมืดมันก็ได้หนทางรู้แน่คือว่าตายแน่คือว่าเจ็บแน่ ถือว่าร่างกายนี้เป็นธาตุสีดิน้ำไฟลมแน่แล้วก็ไม่กลับคืนมาไม่แน่อีกมันจะต้องแน่อยู่อย่างนั้นตลอดทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็อยู่แต่ที่ว่าเราจะทำให้สำเร็จมากน้อยแค่ไหนจะเอาแค่ชั้นประถมหรือจะเอาแค่ชั้นมัธยมหรือจะเอาแค่มหาวิทยาลัยหรือจะเอาถึงท่านด็อกเตอร์มันก็สุดแล้วแต่ความสามารถ ของแต่ละบุคคลด้วยเหตุนี้ในข้อสุดท้ายพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าฮาเวตะ บ, บันติเมพิกเเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมักควรเจริญใหม้มากทีนี้ก็อยู่เป็นหน้าที่ที่มักหมายความว่าเรารู้หนทางแล้วมองหนทางได้ชัดเจนแล้วอันนี้ก็จะเป็นหนทางดําเนินต่อไปสุดแล้วแต่ว่า กำลังความสามารถแต่ว่าเราเดินทางถูกแล้วเนี่ยเรามาทางถูกแล้วเราก็เดินต่อไปในทางที่ถูกเมื่อเดินทางถูกแล้วเนี่ยวันหนึ่งก็ถึงที่หมายความว่าถึงจุดที่หมายปลายทางในชีวิตของคนเราเนี่ถ้าหากว่ามีการปฏิบัติหรือได้กระทำการปฏิบัติเนี่ยถือว่า เป็นสิ่งที่ให้เกิดผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลไม่มีผลใดที่จะยิ่งไปกว่านี้ในบรรดาการกระทำทั้งพวงเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาแล้วตายไปทรัพย์สินสมบัติอะไรก็เอาตามไปไม่ได้สามีภรรยาสุดที่รักก็ตามเราไปไม่ได้ลูกสุดที่รักก็ตามเราไปไม่ได้ทรัพย์สินสมบัติสุดที่รักมันก็ตามเราไปด้ไม่ได้ เมื่อเราตายไปแล้วสิ่งที่อยู่ในโลกนี้มันก็ต้องอยู่ในโลกมันก็เป็นของคนอื่นต่อไปมันไม่ใช่เป็นของเราเราจะใช้มันได้อยู่ต่อเพียงชั่วชีวิตนี้พอเลยจากชีวิตนี้เราก็ใช้มันไม่ได้่ชีวิตนี้มันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่เพียงแค่นี้ เ, เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเด็กพอเป็นเด็กแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาว เป็นหนุ่มเป็นสาวเสร็จแล้วก็แก่ลงไปแก่ลงไปเสร็จแล้วก็ตายแล้วก็เกิดมาเป็นเด็กใหม่มันก็เวียนไปอยู่อย่างนี้มั้ยก็มีแค่นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะวิเศษกว่าที่เราจะต้องเวียนไหวใจเกิดอยู่เสียเ้ยวเปล่านั้นก็คือการมาฝึกในเรื่องจิตใจนี้เพราะว่าการฝึกเรื่องจิตใจนี้เป็นการฝึกที่ เราต้องอาศัยระยะเวลาอันยาวนานเรียกว่าใช้เวลาเมื่อเราใช้เวลาตามสมควรแล้วนี่มันเกิดผลสำเร็จเรียกว่าเป็นผลสำเร็จการเกิดผลสำเร็จนั้นเราจะรู้ได้ในเมื่อเราสำเร็จผลสิ่ง น, นั้นขึ้นมาอย่างที่เราเรียนสำเร็จ ชั้นประถมหนึ่งเราก็รู้แล้วเราเรียนสำเร็จชั้นประถมสุดท้ายเราก็รู้แล้วเราเรียนสำเร็จชั้นมัธยมเราก็รู้แล้วเราเรียนสำเร็จปริญญาตรีเราก็รู้แล้วปริญญาโทเราก็รู้แล้วปริญญาเอกเราก็รู้แล้วใครจะรู้ก็เราอ่ะเราก็เป็นคนที่จะรู้ว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นมานั้นเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะ ยิ่งการปฏิบัติจิตก็เหมือนกันพอไปถึงขั้นสาเร็จจะเรียกว่าเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะผู้นั้นก็รู้รู้ถึงความสาเร็จอันนี้ขึ้นมามันมันจะต้องเป็นความจริงที่เรียกว่าสาเร็จขึ้นมาเหมือนกันกับคนที่อิ่มรับประทานอาหารอิ่มเขาก็ต้องรู้ว่าเขาอิ่มใครจะไปรู้ให้เขาได้เขาก็รู้ว่าเขาอิ่ม เราจะบอกคนอื่นได้เหมือนกันบอกว่าฉันอิ่มแล้วแต่ว่าคนอื่นเขาก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่ตัวของเราเองต่างหากที่เป็นผู้ที่รู้ว่าเกิดความอิ่มอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบในเรื่องการปฏิบัติจิตต่อไปก็สมาธิกันต่อไปอีก